มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, า, า, ญหาชัตทวักชัททันตะโชติปาละอาระพะปัญหาที่หา้าถามว่าเมื่อชาติพระพุทธองค์เป็นพระยาชัททันเคารพผ้ากาสาวพัด ครั้นชาติเป็นโชติปาละมานพเหตุอะไรบริพาชพระพุทธกัดสปะเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาจึงตรัสถามอัตถปัญหาอื่นสืบไปว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกเวดูราณะภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระตถ า, าคตเสวยพระชาติเป็นพระยาคดฉสารชื่อว่าฉัตรทันนั้นยังมีพรานคนหนึ่งเห็นพระยาฉัตรทันนั้นกับบริวานนามัสการพระสมณะนุ่งห่มกาสาวพัดโดยเคารพนับถือยิ่งนักหนาพรานป่านั้นจึงเอาผ้ากาสาวพัดย้อมฝาดนุ่งห่มเข้าแล้วก็ปลอมเป็นสมณะนั่งอยู่ที่ร่มไม้ ส่วนว่าหมูช้างบริวารกับพระยาฉัตรทันก็อภิวันว่ายพรานนั้นด้วยสำคัญว่าเป็นพระสมณะยกงวงจบแล้วพากันไปพรานนั้นจึงยิงเอาช้างตัวหลังที่ล้าล้าอยู่นั้นคราวละตัวคราวละตัวจนบริวารพระยาฉัตรทันน้อยไปพระยาฉัตรทันประกอบด้วยปัญญาจึงคิดคุมบริวารตามมาตอภายหลัง ก็เห็นนายพรานกระทําดังนั้นพระยาฉัตรทันจึงอางวงฉวยจับพรานนั้นได้คิดว่าจะฆ่าพรานนั้นให้ตายแต่ได้เห็นกาสาวพัดพันกายพรานอยู่ก็ไม่ได้ฆ่าพรานนั้นด้วยจิตสําคัญว่าผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยพระอรหันต์อเลศสมเด็จพระสัพพันยูผู้ประเสริฐตรัสเทศนาชนีแล้ว มาภายหลังสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าตรัสพระสัทธรรมเทศนาว่าเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นโชติปาละมานพนั้นบริภาดกล่าววาจาหยาบช้าต่อพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำว่าสมณะศีสะโล้นนี่แหละคำเดิมตรัสว่าเมื่อตถาคตเป็นโพธิสัตว์นี้ มีจิตเคารพกาสาวพัทคาภายหลังตรัสว่ากล่าวคําหยาบช้าในพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทําไมสมเด็จพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงกาสาวพัททงชัยพระอรหันตหรือพระภูธิสัตว์จึงไม่เคารพยําเกรงต่อผ้ากาสาวพัทกลับบริพาทหยาบช้านี่แหละจะถือเอาถ้อยคําภายหลัง คำเดิมจะผิดพลัง้งครั้นจะเชื่อคำเดิมคำภายหลังก็จะผิดหารู้ที่จะฟังเป็นเที่ยงไม่ปัญหานี้จัดในอุพัโตโกติเป็นสองเงื่อนเนื้อความต่างกันนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาปัญหานี้ให้แจ้งก่อนพระนาคเซนผู้ทรงอริยะสังวรวิสัชนาว่ามหาราช ขอถวายพระพรบพิธพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาอาจารตรัสว่าเมื่อครั้งตถาคตเป็นพระญาชัดทันจิตนั้นเคารพนอบนอบในกาสาวาพัฒครั้นแล้วพระองค์ตรัสว่าเมื่อตถาคตเป็นโชติปารามนพนั้นบริพาสเป็นพรุษวาสแก่สมเด็จพระพุทธกสปะเจ้าด้วยมุนดกะวาสนั้นจริงแต่ทว่า เป็นด้วยโชติปาระมานพนั้นเกิดในสกุลเป็นมิจฉาทิฐิไม่มีศรัทธามารดาบิดาพี่ป้านาอาตลอดถึงทาตกรรมกรทั้งหลายย่อมนับถือพราหมว่าอุดมว่าประเสริฐพากันติเตียนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระกสปะทศพลายลนว่าไม่ประเสริฐเหมือนพราหมที่ตนนับถือไหวนบเคารพสักการะบูชา โชติปาลมานพนั้นเป็นมิตรสหายกับช่างหม้อฝ่ายช่างหม้อเป็นสัมมาทิฐิจึงชวนโชติปาลมานพว่าเราจะพาท่านไปสู่สำนักสมเด็จพระพุท ธ, ธกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโชติปาลมานพจึงว่าดูกระสหายท่านจะพาเราไปสู่สำนักสมณะศรีรษะโล้นธุระทำบนอะไรจงบอกให้รู้ โชติปาละมานพูดดังนี้ด้วยสามารถสำเนียกเรียกตามพวกมิจฉาทิฐิจะได้กล่าววาจาด้วยสามารถใจโกรธหามิได้ว่าตามปกติได้ยินเขาว่าตัวก็ว่าบ้างมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอะมะตังวิสมาปั ช, ชติติติกังโหติ ธรรมดาว่าน้ำอมฤตอันหวานเมื่อเจือจานกับด้วยยาพิษอันขมฝืนมากกว่ามากก็พลอยขมฝืนไปถ้ายาพิษน้อยน้ำอมฤตมากยาพิษก็กลายเป็นรสหวานเมื่อข้างไหนมากก็พาข้างน้อยให้ถอยรสไปประการหนึ่งเหมือนน้ำกับไฟน้ำมากไฟก็แพ้น้ำ ไฟมากน้ำก็กลับแพ้ไฟปาโปกาละยานามิตังคนใจบาปเสพมิตรเป็นบัณฑิตก็พลอยเป็นใจกุศลไปกาละยาโนปาปมิตังคนที่มีจิตเป็นกุศลเล่าเท่าว่าเสพกับคนใจบาปก็กลายเป็นบาปไปโชติปาละมานบเกิดในตระกูลวิชาทิฐิไม่มีศรัทธา ก็พลอยหาศรัทธามไม่ได้และเจรจาหยาบคายไปตามบิดามารดามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอักคิคขันโธอันว่ากองเพลิงอันใหญ่มีรัสมีสว่างสวัยรุ่งเรืองงดงามครั้นมีบุคคลเอาน้ำโปรยให้ดับลงก็ดับหมดรัสมีมีแต่ฐานดำปริป ก, กะ นิคันดิภละสัทิโสเปรียบดุดผลไม้ที่หล่นจากขั้วอันงอมเน่าดำไปฉะนั้นความที่กล่าวนี้ยะถามีครุวนาฉันใดโชติปาลมานพนั้นเป็นสัพพัญญูโพทิสัตว์เจ้าอันประเสริฐปุญญวันโตมีบุญเลิศยานะวิปุลปพาโสมีปัญญาอันเห็นสว่างไยบู์ มาเกิดในตระกูลอันไม่มีศรัทธาสติปัญญายังอ่อนเป็นทารกอยู่ไม่รู้อะไรก็ต้องประพฤติไปตามเยี่ยงตามอย่างบิดามารดาอันเจรจาเป็นถ้อยคําหยาบช้าก็หยาบช้าด้วยเหตุดังนั้นโชติปาละกุมารจะได้มีจิตสันดานเครียดแค้นชิงชังในสมเด็จพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าหาไม่ได้ ขั้นานมาปัญญาแก่กล้าพิจารณาเห็นพระพุทธคุณของพระกัสสปะเจ้าก็มีเมตตาจิตรักใคร่เข้าไปขอบรรพชาในสำนักสมเด็จพระมาหากรุณากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพระอนุเคราะห์ประธานบรรพชาให้ชินสาสาเสนปับพชิตตวาครันโชติปาละมานพนอนพุทธางกูนั้น บรรพชาเข้าในพระบวรพุทธศาสนามีอุตสาหะเล่าเรียนพระกรรมาฐานไปมิได้นานก็ได้ฌานอภิญยาครั้นกระทำกาและกิริยาแล้วก็ได้อุปัชนาการบังเกิดในพรมโลกนี่แหละพอพิจพระราชสมภารอันองค์พระบรมโพธิสัตว์เจ้าแล้วจะเกิดในชาติอันใดที่ว่าจะไม่เคารพในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสังฆ ค, คุณหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังพระนากเกษรแก้ปัญหาก็ปรีดาปราโมทออกพระโอษองสาธุการดุจในหดหลังชัฏทันตะโชติปาละอารพพปัญหาเป็นคำรบห้าจบเพียงนี้